การตัดสินใจปัญหาที่มีทางแก้ย่อมต้องอาศัยการตัดสินใจแต่เราจะตัดสินใจ เ, เรื่องสำคัญในชีวิตได้อย่างไรโดยปกติแล้วเราพยายามที่จะพึ่งคนอื่น ให้ตัดสินใจเรื่องยากๆแทนเราด้วยวิธีนั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดไปเราจะสามารถกล่าวโทษผู้อื่นได้เพื่อนของอาตมาบางคนพยายามจะหลอกล่ออาตมาให้ตัดสินใจแทนพวกเขาแต่อาตมาไม่หลงกลหรอกเท่าที่อาตมาจะทำก็เพียงชี้แนะวิธีที่พวกเขาจะสามารถตัดสินใจอย่างฉลาดได้ ดเเมื่อเรามาถึงสี่แยกและเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปทางไหนเราก็สมควรรอที่ข้างทางหยุดพักและคอยรถเมยปกติแล้วเมื่อเราไม่ได้คาดหวังอะไรนัก ก็มักจะมีรถเม์ผ่านมาเสมอข้างหน้ารถเมย์มีป้ายเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่เด่นชัดบอกว่ารถเม์นี้จะวิ่งไปไหนบ้างถ้าจุดหมายปลายทางนั้นตรงกับที่เราจะไปเราก็ขึ้นรถเม์คันนั้นถ้ายังไม่ใช่เราก็รอต่อไป มักจะมีรถเมคคันอื่นๆตามหลังมาเสมอกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อเราต้องตัดสินใจและเรายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีเราจำเป็นจะต้องหยุดที่ข้างทางหยุดพักและคอยในไม่ช้าเมื่อเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะักคำตอบจะมาเอง คำตอบแต่ละคำตอบย่อมนำไปสู่จุดหมายปลายทางของมันถ้าจุดหมายปลายทางนั้นเหมาะสมกับเราเราก็เลือกเส้นทางนั้นถ้าไม่ใช่เราก็คอยต่อไปมันย่อมจะมีคำตอบอื่นๆตามมาเสมอ นั่นคือวิธีการที่อาตมาใช้ในการตัดสินใจอาตมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดและรอคอยคาตอบคาตอบที่ดีย่อมมาถึงเสมอตราบที่อาตมาอดทนรอมันมักจะมาถึงอย่างฉับพลันในขณะที่อาตมาไม่ได้คิดถึงเรื่องของมันเสีดยด้วยซ้ำ